ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จลงได้ก็เพราะความตั้งใจนี่แหละการงานทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่ตั้งใจอยู่เสมอแล้วมันไม่สำเร็จรุ่วงไปได้ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องทำง่ายๆโดยไม่ต้องรงแรงอะไรมันก็สำเร็จไปได้อย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ให้พากันเข้าใจไม่ว่างานใดๆทั้งหมดมันอาศัยความตั้งอกตั้งใจ เพราะทาลงไปแล้วมันมีอุปสรรคถ้าพูดใจใจไม่เข้มแข็งไม่อดไม่ทนพว้าควันอุปสรรคนั้นไปการงานนั้นมันก็สำเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้งานก็มีอยู่สองอย่างในโลกอันนี้นะงานทางโลกหนึ่งงานทางธรรมหนึ่ง หรือว่ามีอยู่สามอย่างก็ได้งานในโลกนี้หนึ่งงานเพื่อโลกหน้าหนึ่งงานเพื่อพระนิพพานหนึ่งนี่การงานเนี่ยมันมีเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเราต้องให้เข้าใจอืม <c oughs> งานในโลกนี้เราทำเพื่อโลกนี้เพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตอันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันงานของคราวดาผู้ครองเรือนอย่างหนึ่งงานของนักบวชผู้ประพฤติพตดพรหมจรรย์หนึ่ง เนี่ยงานในโลกนี้นะมันก็มีอยู่สองประเภทอย่างนี้นะผู้ใดอยู่ในเพศใดมันก็ต้องทำงานประเภทนั้นให้สมบูรณ์ตั้งอกตั้งใจทำให้เป็นล่ำเป็นสันยิ่งๆเช่นนี้มันก็จึงจะเป็นที่พึ่งอาศัย ได้เพราะว่าชีวิตนี่มันอาศัยปัจจัยสี่อย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆ อ, อยู่นั่นแหละที่มาแสดงเพิ่มเติมอยู่เรื่อยก็เพราะเหตุว่าคนเราเนี่มันชักลืมตัวมันลืมตัวว่าตนมันอาศัยสิ่งใดอยู่ นี่แหละแล้วมันไม่คิดให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นแก่ตนมันก็จึงเป็นความทุกข์ความลำบากพออาศัยสิ่งใดแล้วถ้าไม่มีสิ่งนั้นให้อาศัยมันก็เป็นทุกข์เป็นอางนั <c> ้น <oughs> ร่างกายสังขารเนี่ยอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่ ไม่ว่าครือขัสไม่ว่านักบวชทีนี้เป็นครือหัสนั้นมันก็ต้องลงมือทาตามหน้าที่ของผู้ครองเรือนผู้ใดมีสติปัญญาสามารถแสวงหาปัจจัยสี่นั้นได้โดยวิธีใดก็ย่อมตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้รู้ การงานหน้าที่นั้ น, น, นให้เต็มที่เมื่อมีความรู้แล้วก็ลงมือทำตามวิชาความรู้นั้นให้เต็มความสามารถมันถึงจะได้ปัจจัยสี่เส้นอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคไห้ไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้ มันก็จึงจะได้ปัจจัยสีนี่มาถ้าหากว่าไม่ตั้งใจทำงานแล้วไม่มีทางที่มันจะได้มาถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ต้องทำหน้าที่ของนักบวชให้เต็มความสามารถเัือบวชนี่ มีอาชีพอยู่แต่เพียงพิขาจารย์บินธบัตมาขบฉันเท่านั้นนะมีนอกจากอาชีพบินธบัตมาขบมาฉันและอย่างนี้ก็มีหน้าที่ดูแลบริหารเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัย ที่ชาวบ้านเขาสร้างถวายแล้วนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องรักษาดูแลไม่ให้ศกก็ปลกหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เสียหายโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทนุถนอมไว้เหมือนกับของของตน อย่าไปคิดว่าเป็นของผู้อื่นหรือของสาธารณะแล้วอย่างนี้อยากใช้อย่างไรอยากทำอย่างไรก็ทำไปแตกก็าตามเสียหายโดยอย่างอื่นก็ช่างเพราะไม่ใช่ของเราผู้ใดคิดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษทีเดียวแหละก็ไปใช้ของสง แล้วไม่ระมัดระวังมันก็เป็นโทษแต่ถ้าระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเสียหายอยู่นี่จำเป็นเมื่อเราระมัดระวังเต็มที่แล้วการรักษาความสะอาดเนี่ยอย่างหนึ่งมันต้องดูรอบๆตัวรอบๆที่อยู่อาศัย อย่าไปทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรในความเป็นอยู่ของตัวเองนั่นได้ชื่อว่าเป็นคนขาดความรบอบคอบขาดสติสัมปชัญญะยิ่งทีเดียวบางคนบางรูปบางร่างที่อยู่อาศัย รอบกุติของตนย่าขึ้นรกรุงรามันก็ไม่จัดการไม่ทำละปล่อยมันรกไปอยู่นั่นเลยบางคนก็ทิ้งขยะอะไรต่ออะไรลงไปรอบรอบกุติไม่ปัดไม่กวาดกวาดเอาแต่ที่มันเตียนเตียนที่ไหนมันรกเราทิ้งเลยนั่นเขาเรียกว่าคนมักง่าย คนไม่รอบคบอบอจะเป็นครืองหัยก็เหมือนกันเลยที่อยู่ที่อาศัยเท่าที่เห็นมาบางบ้านบางเรือนปล่อยให้สศกปกรกรุงลังขยะอยากเยืะออะไรเต็มไปหมดใ ย, ยมาแรงมุมอะไรต่ออะไรแล้วก็บางบ้าน หน้าต่างมีก็ไม่เปิดสักทีไม่ขับไล่อากาศเสียออกไปเก็บเอาอากาศที่เสียไว้ภายในบ้านเรือนนั่นนะแล้วก็พากันไปสูดดมอาอากาศที่เสียนั่นนั่นแหละมันจะเป็นโรคนอนหลับตายหรือเขาลงซื้อพิมพ์ที่ว่าไหลาตาย ก็เพราะมันสูตรอ า, อากาศเสียเสีๆเข้าไปในปอดในตับมันจะทําให้อากาศหายใจเสียไปหมดเลยเมื่อเวลายังนอนไม่หลับนี่มันก็ยังชั่วหน่อยยังพอได้รับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกอยู่บ้างเวลาไปนอนในที่อากาศเสียเสีๆอย่างนั้นเข้าไป หลับไปแล้วมันไม่มีการระบายอากาศเสียออกไปสูบเข้าไปแล้วผลพ่นออกมาผลสูบเข้าไปอีกก็อยู่ในห้องจำกัดนั่นแหละทำให้คนเราหัวใจวายหัวใจล่าตาย <c oughs> มันต้องให้เข้าใจบ้านเรือนหรือกุฏิกุฏิต่าง น, นี้มันต้องเปิดหน้าต่าง ออกไปให้ลมมันพาดให้มันระบายอากาศที่เสียเสียนั่นออกไป <c oughs> ให้มันได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปอย่างนี้นะที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเอทีเพื่อนทำประตูหน้าต่างไว้ก็เพื่อระบายอากาศที่เสียออกไปเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนี่ต้องให้เข้าใจ ชาบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยเราเห็นอยู่ปิดหน้าต่างตายเลยถ้าไม่ร้อนจริงๆไม่เปิดอันนั้นผ้าเป็นความเข้าใจผิดทีเดียวผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนมุ้งหมอนโนี่หมอนหนุนหัวโมนี่ก็ไม่มีผ้าปกหมอน นหนกันไปนะเหงื่อใครออกติดเกล็กังดำปี้ปี้อยู่กระชสยกันอยู่งั้นแหละนี่เราก็สูดดมเอากลิ่นตัวเองนั่นแหละเข้าไปในปอดในตับนู่นนะบางลายผ้าปูนอนมีก็ไม่ซักไม่ตากปูมันอยู่นั้นนอนมันอยู่นั้นแหละหออ บางคนก็ไม่ปูไม่ไม่ไม่มีผ้าปูนอนนอนที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นสำลีหรืออะไรหมดนั่นนะไม่มีผ้าปูนอนน่ะนอนมันอย่างนั้นเหงื่อใครออกติดผ้าหุมสำลีหมดนั่นนะที่ทางภาคอีสานเรียกว่าเสื้อนี่ อยอย่างนี้มันเป็นสื่อให้เกิดเชื่อโลกนำเชื่อโลกเข้าไปสู่ตับสู่ปอดทั้งนั้นเลยบ้านเรือนสกขปกก็ไม่ขัดไม่ถูปล่อยให้มันสกโปกอยู่นั่นแหละ <c oughs> ตลอดถึงห้องอาหารครัวทำอาหาร หมูเนียไม่ค่อยรักษาความสะอาดกันปล่อยให้เศษอาหารติดเ ก, กล็กังอยู่ตามบริเวณหมู่นั่นแหละในครัวหมูนั้นไม่ขัดไม่ทูไม่ล้างนานเข้ามันก็สะสมกันเข้ามันก็เกิดเป็นแก๊สเป็นอากาศเสียขึ้นในห้องครัว <c oughs> หมูนี้นะคนเราไม่ ไม่ได้ภาวนาไม่ทำใจให้สงบมันมองไม่เห็นอันสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นภัยแห่งชีวิตอีนน่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้สึกหยาบความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ละเอียด <c oughs> ผู้ปฏิบัติทมทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกละเอียดอ่อนต้องมีความรู้สึกสัมผัส ต, ต่อสิ่งแวดล้อมละเอียดละ อ, อ่เข้าไปอย่างนั้นลองพิสูจน์ดูพระวินัยนะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มานั้นนะเกี่ยวกับเสนาสนาวัต เกี่ยวกับเวชจากกุฎีวัดวัดเกี่ยวกับห้องส่วมห้องน้ำามนี่นะกระทรงบัญญัติเวลาเข้าห้องน้ำโมนี่อย่าเปิดประตูแรงอย่าปิดประตูแรงมเมื่อเข้าเมื่อผู้ที่จะไปเข้าห้องน้ำ แต่เห็นประตูปิดโย่ก็ต้องกะแอมหรือว่าเอานิ้วมือไปเคาะเคาะประตูเบาเบาหรือกะแอมเบาเบาหากว่ามีผู้อยู่ในห้องน้ำนั้นผู้อยู่ในห้องนั้นก็ต้องกะแอมตอบเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีผู้อยู่ภายในนั้นนั่นลง ดูสิวินัยเกี่ยวกับเวชจากุ ด, ดีนอกจากนั้นก็ช่วยกันรักษาความสะอาดขัดทูในเวลาที่มันส ก, กรปรก <c oughs> อย่าไปเมินเฉยต้องล้างต้องขัดในห้องน้ำห้องซ่วมใครไปเห็นเข้าแล้ว เหมือนเฉยอะเป็นอาบัตินะเป็นพระเป็นเจ้าก็ดีเป็นเนนก็ไม่ดีอ่ะเป็นโทษเบงันห้องน้ําห้องซ้วมกับห้องนอนห้องเ อ, อนั่งห้องอาหารการกินเรารักษาความสะอาดห้องอาหารห้องนอนชั้นใดก็รักษาห้องน้ําห้องซ้วมไม่สะอาดชั้นนั้น ให้เข้าใจ <c oughs> แลวไอแปลงสำหรับขัดถูห้องน้ำมดนะมันไปทำบุญยี่บูยามกันไม่ละมันระวังไปกดเอาจนงอจนพับจนหักไปบุรี่ามันเสียมารยาทเสียความประพฤต ใครไปทำอย่างนั้นนะ <c oughs> อะไรอะไรไปใช้กำลังแรงถึงป่านนั้นนะของที่ไม่ควรจะไปใช้กำลังแรงอย่างนั้นก็ไปใช้แต่มันก็เสียหายไปๆกระชิงใดที่ของใช้อันใดที่ควรจะใช้ เราะมัดระวังใช้กำลังค่อยๆก็ต้องใช้ค่อยนะไปใช้แรงมันก็เสียหายนี่ของสิ่งใดมันแข็งแรงถ้าไม่ใช้กำลังแรงมันก็ไม่เป็นไปอย่างนี้ก็จึงค่อยใช้กำลังแรงนี่มันก็ต้องรู้นะไอ้ของหมดเนี้ยต้องเรียนรู้ะ นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องให้เข้าใจไม่เช่นนั้นก็ไอความรู้ลึกซึ้งภายในจิตใจความรู้เกี่ยวกับการละกิเลสภายในหัวใจนั่นมันว่ายิ่งยิ่งแล้วล่ะยิ่งไม่รู้เลยความรู้หยาบหยาภายนอกนี่ก็ ไม่รู้ล่วมันจะไปรู้กี่เลสอันละเอียดอยู่ภายในได้อย่างไรนะ่ะลองคิดดูให้ดีตลอดถึงผ้านุ่งผ้าห่วมหมดเนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วเหงื่อใครติดเกะกังจน ส่งกินออกไปแล้วก็ไม่ซักไม่ฟอกอันนี้มันมันร้วนแต่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่กายสู่ใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำให้คนอื่นรังเกียดด้วยเข้าใกล้ใครใครก็รังเกียดตลอดถึงฟันมุนี่ปากไม่รักษา ปล่อยให้ขี้ฟันติดเกิดกังอยู่นานเข้าก็เกิดเชื้อโรคขึ้นส่งกลิ่นออกมาทําไมฟันไม่ทนเลยไม่ทันเท่าทันแกฟันโยกฟันคลอนฟันหล่อนไปแล้วอันบุรีนะต้องใส่ใจอย่าไปให้ขี้ฟัน เิดเกิดกังอยู่ในช่องฟันต้องจิ้มมันมีนะต้องพิสูจน์ตัวเองทุกคนนะอย่าไปเข้าใจว่าฟันของตนมันทีเศษอาหารเข้าไปติดไม่ได้ดอกต้องพิสูจน์ดูมันทีจริงหรือไม่ <c oughs> ถ้าไม่พิสูจน์ก่อนเราเอาเฉยๆไ มันไม่แน่นะนั่นแหละที่ฟันของคนบางคนมันไม่ทันครับเท่าทันแก่มันเสียมันชำรุดหมุน่นมันก็ล้วนตั้งแต่ที่ปล่อยให้เศษอาหารมันไปติดเกิดกังแล้วมันเกิดเชื้อโรคเรียกว่าแมงกินฟันนั่นแหะนั่นแหละมันก็ทำให้ รากฟันนั้นผุไปทำให้ฟันผุเผ้ากระปวดฟันกันเนี่ยอก็โยกคอนก็ไปถอนทิ้งเม่ท่านเท่าท่านแก่ฟันหลุดออกไปเกือบหมดแล้ว <c oughs> อันหมนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคน <c oughs> ในพระวินัยท่านเียวากายบริหาอรพระพุทธเจ้านั้นเป็นหมอมโหสถยิ่งใหญ่กว่าหมอทั้งหลายในโลกนี้เ <c oughs> พระเาะฉนั้นในพึงพากันเข้าใจเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแต่ต้องพยายามปฏิบัติตาม พระพุทธโอวาทศาถนาเมื่อเป็นผู้ชอบสะอาดชอบเรียบร้อยชอบมีระเบียบภายนอกอย่างนี้แล้วภายในจิตใจมันก็มีระเบียบสิบา น, นี้นะความคิดความนึกอะไรก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดปรำปราไปทั่วเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เราก็ไม่คิด ความคิดก็ต้องให้มีระเบียบไอ้ความคิดที่มันผสมผสานกับราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็มาแกี่คิดไปทางอากุศลมัน <c oughs> เป็นอย่างนั้นเ <c oughs> ช่นพิกโสสามนเณรถ้าไปรู้อำนาจแก่ราคะแล้ว มันก็ค <c oughs> <c oughs> ิดล่วงละเมิดวินัยอันเกี่ยวกับราคะนั้นเริ่มแต่มีมายาสาไถยกับเพศตรงกันข้ามเกี่ยวกับการกล่าววาจาพาดพิงไปถึงความรักความใคร่ หรือตลอดเมถุนธรรมพยายามเข้าใกล้เข้าชิดหยอกล้อต่งตางๆหน้ า, หนาให้เกิดความสนิทสนมกันอย่างนี้นะนานเข้าก็ล่วงเกินกันทางกายจับโน้นจับนี้เข้าไป นี่แหละกิริยาของราคะตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทีแรกมันก็เกี่ยวพาราสีทางวาจาก่อนัา น, นเข้าเมื่อสนิทสนมกันไปเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็จับต้องกายเข้าไปก็ล่วงเกินกันเข้าไปอย่างนี้แม้เป็นกระรือหัดก็เหมือนกัน บุคคลจะไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียมันก็เกิดมาจากราคะความรักความใคร่นี้เองนะเมื่อเวลา ง, งับไปได้เห็นรูปใครเมียใครผัวใครสวยงามก็ไฟาาแล้วก็เอาแหละทำความสนิทสนมใช้แสงหูแสงตา เกี่ยวกันเข้าไปเมื่อหลังจากใช้แสงตาพาดพิงกันเข้าไปแล้วก็ต่อจากนั้นก็ใช้วาจาติดต่อกันสนิทสนมกันแล้วก็ล่วงเกินกันทางกายเข้าไปอย่างว่านั้นเองแล้วก็ทำให้สินข้อที่สามนั้นมันขาดไป มันเป็นอย่างนั้นสร้างบาปสร้างกรรมให้เกิดมีขึ้นในตนเพราะราคะตัณหานี่หลายอย่างเบียดเบียนกันฆ่ากันตายแย่งของรักของชอบใจกันเพราะราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุ อันโมนีมีอยู่เกือบทุกวันในโลกอันนี้นะเะเรียแล้วนะมีทุกวันแหละฆ่ากันตายเพราะความรักความใคร่เนี้ยฆ<ม>่ากันตายเพราะความกโกรธกันพยาบาทจองเวนกันหมนิกน็ทุกวันทีเดียวไอคิดเฉลี่ยทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศแล้ว ฆ่าการตายเพราะความหลงความเมาในลาบในยศในสรรเสริญเยนยอหมู่นี้เนยะมันก็มีอยู่ทั่วโลกนียมีอยู่ทุกวันเลยถ้าเราดูเพียงแต่คนหมู่น้อยที่อยู่ร่วมกันนี้คล้ายๆกันกับว่ามันไม่มีการเบียดเบียนกันนะ <Ừ. S 2> ถ้าไปดูในหน้าหนังสือพิมพ์ทิผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เขาเที่ยวตะเวนหาข่าวทั่วโลก <Ừ. S 2> มีเครือมีเครือข่ายโยงใยกันกับเหมือนกับสายแมลงใยแมลงบุมเนี่ยส่งข่าวให้แม่ข่ลงพิมพ์แจกกันให้อ่าน ดูเหมือนจะมีค่ากันทุกวนันทุกวนันวันละหลายลายไอ้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไม่สามารถจะสืบรู้ได้นั้นแต่ละวันนั้นก็มีอยู่ทมไปบุคคลได้อ่านหนังสือพิ ม, พ, มพ์แล้วแทนที่จะสังเวชสรลดใจจะมาสาวหาต้นเหตุมูลเหตุ ของการเบียดเบียนกันหมดนี้มันมาจากอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สาวได้อ่านไปแล้วก็แล้วไปหรือว่าสังเวทสลดใจก็สลดใจไปนิดหน่อยเท่านั้นก็แล้วไปไม่ได้สาวหาหมูลเหตุเมื่อผู้ใดได้ดูนังสือพิมพ์ได้รู้ เรื่องความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในวงสังคมอย่างนี้แล้วทบทวนดูรู้ว่ามันเกิดมาจากร า, ราคโทสะโมหะอันนี้นะอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายต่อกิเลสเหล่านั้นก็จะคลายราคะโทสะโมหะให้เบาบางออกไปจากจิตใจ ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจของตนทุกวันทุกคืนไปอย่าให้มันไปกำหนัดยินดีในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษอย่าให้มันไปโกรธเกลียดในสิ่งที่ตนไม่พออกพอใจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ตามเพราะว่าของสิ่งที่ตน โกรธต้นไม่พอใจนั่นะมันก็เป็นของแตกของดับจะมีวิญญาณครองเช่นมนุษย์สัตว์ที่ฉานก็ดีไม่มีวิญญาณครองเช่นของใช้ต่างๆหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนเป็นของมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแตกดับไปตามการเวลาเท่านั้นเอง ผู้ใดมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ควรจะโกรธนะมันก็บรรเทาความโกรธลงได้เพราะของแตกของดับไม่ตาองจะไปโกรธเกลียดเครียดชังกันทำไมอ่ะอ้าวมันมาเบียดเบียนเรานี่มาด่าเรามาว่าเราเอาไอเสียงที่ด่าว่านะ่ะมันก็ไม่เที่ยงนี่ถ้าคนมีปัญญานะ และมันก็ไม่ใช่ของเขาหรอกอันเสียงที่เปล่งออกมานั่นนะมันก็เป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสัทธะธาตุธาตุคือเสียงเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่ง mm. เกิดแล้วก็ดับไป mm. <c oughs> รูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตามันก็เป็นรูปประธาต์ mm. ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่เป็นกายของมนุษย์บ้างเป็นร่างของสัตว์ที่ไรฉานบ้างอันที่เราเห็นกันด้วยตาอยู่เนี่ยรูปใดที่ไม่เห็นด้วยตาก็ไม่ต้องเอามาพูดกันแหละอันนั้นอันที่มันรักมันชังมันกโกรธกันอยู่เนี่ยเพราะรูปที่มองเห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหู นี่แหละที่มันเกิดความเกลียดความชังความรักความใคร่กันอยู่ในโลกอันเนี้ยต่างๆนาๆนาหมดนี่นะ อ, อย่าไปเมินเฉยผู้ปฏิบัติธรรมนะั้นต้องมันคิดมันเอามาวิจารณดูเสมอเสมอสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะมันหลงอยู่นี่แหละ มันหลงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้นะมันทำไม่เกิดราคะโทสะโมหะนะจะมีอะไรล่ะเออคิดดูให้ดีถ้าไม่หลงสิ่งแวดล้อมนี้แล้วราคะโทสะโมหะก็ไม่เกิดมีแต่มันจะเบาบางไปเรื่อย เรารู้จักอาศัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนี่เราพิสูจน์ดูให้ดีเอาตาได้เห็นรูปอย่างนี้นะถ้าไปเห็นรูปคนรูปนักปราชญ์บัณฑิตรูปที่ท่านประพฤติสินธรรมบันดีงาม ตั้งอยู่ในความสงบระ ง, งับไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะเราเห็นเขาแล้วแล้วกออ็ทำให้เอามาคิดมาวิจารณ์เออท่านผู้นีเป็นผู้ที่สงบระ ง, งับดีท่านดูท่าจะมีความสุขสบายมากเพราะท่านไม่เบียดเบียนใครแล้วก็คนอื่นก็ไม่เบียดเบียนท่าน ท่านคงมีความสุขแน่ถ้าเราประพฤติอย่างท่านนั้นนะเราก็ต้องมีความสุขแน่นอนนี่แหละคนมีปัญญาถ้าตาได้มองเห็นรูปอย่างนั้นแล้วก็เอามาคิดมาสอนจิตตัวเองสอนใจตัวเองให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วนำทุกข์มาให้แก่ตัวนั้นออกไป จากรวงกิดนี้เป็น่งนั้นหูได้ยินเสียงธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยน้อมเข้าไปคิดไปกลองในใจให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะคำสอนที่ได้ยินด้วยหูนั้น จะูมกได้สูดกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ดีลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยก็ดีกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็ดีเรามาเลือกคัดจัดสรรด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็ดำเนินไป เช่นกลิ่นดอกไม้ของหอมอย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนเมื่อได้ไปสูตรกลิ่นดอกไม้ของหอมอนั้นอา้านึกถึงคุณพระรัตนกรแก้วสามประการนะก็สเสวงหามาจัดสรรบูชาเข้าไปกราบไหว้เข้าไปมันก็ได้บุญได้กุศล ถ้าไปสูดกลิ่นดอกไม้หอมๆสูดเข้าไปแล้วให้เกิดความยินดีพอใจในกลิ่นหอ ม, มานั้นมันก็เป็นกิเลสไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้านึกว่าเออดอกไม้อันนี้หอมดีถ้าเอาไปบูชาพระเห็นจะได้บุญมากถ้าขอนขวายเอาไปบูชาพระอย่างนี้มันก็ได้บุญจริงๆเนี่ย แต่ยังว่าดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อม <c oughs> รส อ, อาหารก็เหมือนกันนะเมื่อได้รับรสอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้ อ, อ, อาหารมีรส อ, อร่อยถ้าเราได้เอาไปให้ทานแก่ท่านผู้ควรให้ควรบูชาอย่างนี้ ท่านได้บริโภคเข้าไปท่านก็จะมีความสุขเราก็คงได้บุญมากแน่นอนอย่างนี้คิดได้ใน่าง่องของการขวายหา <c oughs> อาหารที่มีรสอร่อยนั้นไปให้ทานเข้าอางนี้ก็ได้บุญเอ่าเ็นงั้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันนะ เ, เมื่อตอนได้สัมผัสกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนเราแสวงหาไปให้ทา น, นมันก็ได้บุญไหลอ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าไปได้ตาได้เห็นลูกเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนะแล้วมันเกิด ค, ความรักความชังขึ้นความโกรธความไมยาบาทอะไรต่ออะไรขึ้นมา เกิดความหลงความเมาในสมมุติปัญญัติเหล่านั้นเอามาเนี่ยมันเกิดโทษบาเนี่ยเกิดทุกข์นานาประการกรงกันข้ามจะยกตัวอย่างให้ฟังอันพระพุทธเจ้านะั้นพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็มัวเมาอยู่ในกามคุณห้าเหมือนกัน เมื่อบุญบรารมีมาถึงเขาแล้วมองเห็นรูปด้วยพันเนตหรือว่าด้วยจักษุได้ยินเสียงด้วยหูเป็นตน้นเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ามองเห็นรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับไม่จีรังยั่งยืนเลย อย่างนี้นะอ่าไอเรานี่ยมันหลงกําหนัดจินตีอยู่ในของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยอย่างนี้เมื่อของเรานั้นแปลพวนแจกดับไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเ อ, ออย่าเลยเราหลงเราเมากับรูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้มานับชาติไม่ท่วนแล้วเอาละวันนี้อ่า เราจะต้องออกบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวน่นนะมันถึงจะพ้นจากรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี้ได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงเสด็จออกบวชไปไปสู่สถานที่สงบส ง, งัดนั่งเพ่งพิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี่ ทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลุดจะพ้นจากของไม่เที่ยงเหล่านี้นั่นไปนั่งสอนพระองค์อยู่นั่นสอนไปสอนมาธรรมะบา ร, รมีทั้งหลายที่ได้พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติก็มาโดนบันดาลให้พระองค์ได้รู้ทางสายกลาง ว่าการทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้นั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆ mm hmm. เมื่อพองรู้อย่างนี้แล้วอ้การประกอบจนบําเพ็ญทุกกรกิริยาทรมานตนอดนอนผ่อนอาหารจน ร่างกายสูกผอมผลสุดท้ายยงถึงกับกั้นลมหายใจเข้าออกมูนีทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตัดสรุแล้วเพราะการทรมานตนจนสูกผอมผิดไปจากกฎธรรมดาอย่างนั้นน่ะมันเอียงไปข้างชัง่งในการที่บำรุงร่างกายให้อ้วนท้วน แล้วปล่อยใจพเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสอันน่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนั้นมันเอียงไปในข้างรักนั่นเลยมันไม่เป็นทางพ้นทุกไปได้การที่มาบำรุงร่างกายอันนี้ด้วยปัจจัยสี่พอสมมาสมควรพออยู่ได้พอมีกำลังตามปกติ แล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเพ่งใจให้เขาเข้าถึงความสงบมาเจริญปัญญาสอนใจให้ละอารมณ์ละกิเลสความรักความชังที่ใจยึดมั้นถือมั่นไว้เหล่านั้นให้เบาบางออกไปจากกิจใจเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปเท่าไหร่ จิตนี้มันก็เป็นกลางไปเท่านั้นเลยมเมื่อจิตเป็นกลางอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงเป็นทางพ้นทุกข์ได้หรือว่าเป็นทางบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้นะจึงได้สละราชสมบัติออกไปบวช แสวงหาที่สงบสงัดแล้วนั้นภาวนาเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบแล้วก็จึงน่หาวายปัญญาโซนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าอันนี้อย่าให้มันถือมั่นสำคัญผิดคิดว่า โรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่เป็นของเที่ยงของยั่งยืนเป็นพะเป็นของสุขสบายหรือเป็นของตนของตัวของตนจริงจังเป็นตัวเป็นตนจริงจังหมดเนี่ยมันแต่พูดถึงความจริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเป็นของตนจริงจริงก็บังคับได้สิ ไม่แก่เจ็บตายมันก็มันมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่นี่มันบังคับไม่ได้เลยอย่างนี้ออนั่นแหละส <c oughs> อนใจให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แ่ะมันจะได้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่เมื่อมันละความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างนี้ จิตมันจึงหลุดพ้นจากทุกภัยในวตาสงสารนี้ได้ดังแสดงมา